บุกทูเจ็ดสิบสองซซต้องมุสตเนีโตต้องมุสตผมต้องส่งจดหมายมุสิมโพสลาดดปิส ผมต้องจ่ายค่าโรงแรมคุณต้องตื่นแต่เช้าคุณต้องทำงานมากคุณต้องตรงเวลา เขาต้องเติมน้ำมัน Musi natankovat เขาต้องซ่อมรถ Musi opravit auto เขาต้องล้างรถ Musi umit auto เขาต้องซื้อของ Musi j t e k o i t เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ เธอต้องซักเสื้อผ้าเราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Musíme okamžitě k l é k a ř i Poukun, musíte počkat na autobus. p o u u n musíte počkat na vlak. Poukun, musíte počkat na taxi.